ได้ยินได้ฟังเอาไว้เป็นพระโหสูตรเป็นพระโหปัญญาให้มันเกิดได้หลายหลายทางการได้ยินได้ฟังนี้ยเป็นสุตรรรมยปัญญาการไปแยกไปแยะเรียกว่ากินธรรมยปัญญาการกระทําลงไป ตามสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเรื่อว่าภาวนาไมาย่ยับยางหลายอย่างให้การศึกษากับตัวเองการศึกษานอยาได้จนอย่างสมัยขงจระอพระเจ้านะอรหัน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 มันเป็นทั้งคณิตศาสตร์มันเป็นทั้งวิทยาศาสตร์เปรตอะไรหลายหลายอย่างเป็นพะศึกษาได้อย่างไรที่เราเดินจงกรมเรายกมือสร้างจังหวะเราเคลื่อนเราไหวมันเป็นพลังที่ชำนิชำนาญในการใช้ากาย ใช้คิดใจเราใดมันหลงเรารู้สึกตัวนะก็เป็นพระละพลังแห่งความรู้สึกตัวหายอย่างอยู่ในภาคปฏิบัติกานเดินจงกรมการสร้างจังหวะทำให <Pues S 1> ้สุขภาพแข็งแรงการใช่ตาใช้หู ใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายใช้ใจิตใจให้เป็นพาระภาระให้เกิดปัญญาอาศัยตาให้เกิดปัญญาเร้ยกว่าภระสำเร็จใจหูใช้จมูกลิ้นกายใจให้มันเป็นปัญญาทุกอย่างรอบด้านมาเปลี่ยนเป็นปัญญา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 รู้สึกตัวอยู่กับเวทนารู้สึกตัวอยู่กับความคิดรู้สึกตัวอยู่กับธรรม ท, ที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจนะก็ไปทางเดียวกันเห็นความโงเงาเหอนอนเห็นความลังเลสงสัยเห็นความคิดผุ่งสารเห็นพยาบาทเห็นการมละคะ เห็นอุปาทานจริตนิสัยของเราเคยไหลเคยติดเคยเปือเคยเปื้อนเคยไปต่ออะไรเหมือนันกันแล้วก็าามาเป็นปัญญาเป็นกำลังที่ได้จากการกระทำกำลังสติปัญญากำลังกายก็ได้เอากายช่วยเอากายช่วยสติ เอา ส, สติช่วยกายเอาใจช่วยสติเอาสติช่วยใจทั้งกายทั้งใจสร้งสติเป็นสมังคีช่วยกันให้เกิดปัญญา <c oughs> เรียกว่าเรียกว่าแอบร่วมก็เป็นพ <c oughs> ลังรูปแบบที่เราสร้างน่ะ นันก็เป็นพลังทำให้เกิดความร่วมมือทั้งกายทั้งใจทั้งสติทั้งปัญญาอัิกีก็ศีลด้วยสมาธิด้วยความอดทนด้วยหลายอย่างที่มันเกิดพลังร่วมขึ้นมาร้วนแต่เป็นพระงศึกษาทั้งนั้นแต่ ก, ก่อนเราเคยอ่อนแอคล้อยตามอารมณอาการต่างๆ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 ผู้มีสติมีปัญญาไม่ผันไ ว, วกก้เพราะการนิทาฉลเสริญ น, นี่ก็เป็นพลังเป็นพละเหมือนกันวิขมพนาวิมุตขมมันไวนเห็นเวทนาเห็นเวทนาสัพเพเวทนาขมแล้วไม่แสดงออก การไม่แสดงออกการไม่โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยใครบอกข่มไม่พูดการไม่พูดการไม่แสดงออกกันเรียกว่าโศลจัตเป็นธรรมมันทําให้งามขันติด้วยอด ท, ทนด้วยพลังแห่งความอด ท, ทนพลังแห่งความ ส, มบสงบเสงฉ ย, ยแต่ก่อนนี้เราไม่เคยฝึกกรรมฐาน มันก็ปิดบังเบธนาปิดบังความไม่เที่ยงปิดบังความเป็นทุกข์ปิดปังความไม่ใช่ตัวตนพอเรามาเจริญสติตามรูปแบบของกรรมฐ า, านจะเรานั่งสร้างจังหวะก็ดีการเดินจงกรมก็ดีมันมีความอดทนมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเยอะแยะไปหมดเลยเราก็เกิดการเห็นต่างๆ แต่มันแสดงออกเราก็เห็นอยู่แล้วถ้าไม่ถ้าไม่ท <c oughs> ําทอย่างนี้นะมันก็ไม่มีกาลังกําลังกายก็มีกําลังจิตใจก็ไม่มีความมุง่งถ้ามันเกิดความมุ่งขึ้นมาเสริำรลจงำรวงของสติ พลังของกายพลังของจิตใจพลังอะไรอีกหลายอย่างศีลก็มีได้มันง่วงแบบไม่อะไรที่จะทำให้มันไม่ง่วงปัญญาก็มีแล้วมาแล้วในสติเอาลืนต่อขึ้นมองทองพระมีความรู้สึกตัวกำหนดการเคลื่อนไหวเปลี่ยน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 พหลังกานพูดดีดีอ่าไปพูดอยู่ที่คนบุรีไปปฏิบัติธรรมร่วมกันหลวง้อก็ไปร่วมกับเขากับคุณหมูกับพระเมงอิูนั้นสามวันสี่วันสามวัน ม, มันกลับมาเมื่อวานนี่กลับมาแล้วก็มาที่นี่เลยนอนอยู่วัดคืน เวลาบรรม่วงถ้าหลับตาเลี่ขอให้ตาบอดเลยเขียนตัวเองเขาว่าทุ ด, ดงเหมือนกันนะทุ ด, ดงคืออะไรไม่อ่อนแอเข้มแข็งขูดเกอว์เมื่อท่านอธิฐานเนี่ยนั่นท่านก็สู้ก ง, ง่วงก็เลยกลัวเลยเพราะมันมีพละพละอะไรพละแห่งสัจจะพละแห่งอธิฐานสัจจะพละมีอธิฐานพละมี สมัยก่อนพระพุทธเจ้าตัดสะูุ้กก็มีสิ่งเหล่านี้ช่วยนะพอมีสิบทัศเนี่ยช่้ยมาได้นะจะจาตทธิฐานขันติสติสมาธิปัญญามาเสริมเข้าไปเราปฏิบัติถ้าสิ่งไหนไม่ใช่สติต้องเสริมเข้าไปจะ เลี่ยงทางให้มันนั้นไม่เราเราไม่ได้มีวัตถุประสงค์อย่างนั้นให้แนวแน่เรามีวัตถุประสงค์กาเจริญสติเวลานี้เวลานี้เรามีวัตถุประสงค์การเจริญสติสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆหลวงพ่อก็เคยใช้สัจจะอธิษฐานเรื่องนี้วันกันจากเจ้าศิษย์ ฉันชาวเสร็จอมบาทกับกติไม่ขึ้นกติวางบาทบนกติเดินจงกรหน่อยเมื่อใดไม่ได้ยินเสียงเพละจะไม่จะไม่นั่งจะไม่นั่งสร้างสติเดินกลับไปเดินกลับมายืนแต่ได้ยินเสียงเผลงแล้วเอเอ ไปฉันเพลินถ้าวันไหนไม่ไปฉันเพลนก็เปลี่ยนอะไบุละกันเอ็นไปนั่งเพียงต้นเสาเล็กๆหันหน้าเข้าขวาเจริญสร้างจังหวะทั้งนั่งทั้งเดินเคยใช่อธิษฐานเคยตั้งสัจจะเหมือนกันรู้สึกว่าบางก็เข้มแข็งนั่นก็เป็นการขูดเกลาชีวิตของเราเลยไม่ททอไม่ทอดแท้ไม่หวั่นไหว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 เดินไปก้าวไปเดินไปข้าวไปเบาเบก็เดินถูกเกิงๆเบาเบาดูไปดูไปเน่ยเหมือนไม่มีอะไรมีแต่ก้าววับวับตัวลู่ออกท้าก้าวตามหลังเบาที่สุดถ้าตัวหลงออกท้าตัวลู่ตามหลังึงหนักนะทวน ต้องทวนกระแสต้องกี้ต้องบังคับตัวเองต้องใส่ใจบางคนต้องตามไปยกส้นหนอยกหนอย่างหนอลงหนอเหยียบหนอไม่ได้ทั้งสองชองั่วโมงเคยไปเดินแข่งกันกันกบพวกที่เบสที่เบตเขากลาบับเขาก็เป็นหนุ่มนะเราก็เป็นผู้แก่แล้วพู้เท่าแล้ว ใต้ต้นสีมหาโพเขาก็ก่าบกราบแบบที่เบทยดถูกไม่ใช่เรื่องเด็กนะยืนขึ้นนั่งล ง, งกราบไปเมไปให้หน้าผากให้ใบหน้าให้ป่ามื อ, อให้หน้าอ ก, ออกท้องแน่ไปกับกระดานไหนเขาจะมีกระดานนากะก้บเหพบลงยืนเฉิญไป อูแขนเขนามาลุกขึ้ น, น, น, น, น, นดดเดินแล้วก็ยกมือขึ้นสุดวางมือลงกับไปหลวงพ่อก็เดินชมกลมหลวงพ่อก็เดินชมกลมใต้ต้นโหเขาก็กราบใต้ต้นโหลองคิดดูว่าเอ้าคนแจก อ, อย่างเราเนะี่ยจะพิคิดไหลกับพี่เบกมันจะเก่งกดาดไหนมันนี่ครับเราก็ไม่จบ เอาไปมาเมื่อก่นเหนื่อยนะกราบในสู้สู้เดินไปอะเดินไม่เหนื่อยเลยเร<ป>็วเวเขาหยุดสองข้างสามข้างเรางเดินทุกคนอทีเขาก็มองเราเขามองเราเขาไม่เคยเดินก็มีแต่กราบการทําความเพียรการปฏิบัติบูชาที่สังเวชนิยสถานตขานี่ทําอะไรไม่เป็นมีแต่กราบแล้วกํานั่งนับลูกแทน เราก็เวียนเทียนพูตเบสเวียนเทียนไม่เป็นเดินไเป็หรือนับลูกแทนหรือกลับบางทีเราก็ต้องพิคิดลองดูถ้าไม่ไม่ไม่มีอะไรพิคิดก็พิคิดกับตัวเองให้จงได้อะไรมันเกิดขึ้นความง่วงความคิดความงาพงศรเขาจะบาดกามละคะปฏิฆะความทิฐิความสำคัญมัน่นหมาย ถ้ามันเกิดขึ้นถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องมีสติตรงนั่นด้วยเพราะเราปฏิบัติตรงไม่หลีกไปทางอื่นอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราจะแหวกเข้าไปมีสติเข้าไปไม่ไม่ให้โอกาสแม้มันจะมีเราก็แหวกอยู่สองครั้งสามครั้งจากนั้นง่วงง่วงแล้วง่วงอีกลู่แล้วรู้อีก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 มันก็ว่าเชียรยตัวเองได้เคยผ่านมาได้ความเคยผ่านความชนะที่มันเคยเคยฝึกอย่างนี้มันก็มีพลังหลายอย่างอันนี้อารมณ์อารมณ์มันมาช่วยให้เรามีศิลปะเช่นเราไต่สะพาน เ้ามันเซ่ลงแล้วก็จับเราสะพานได้เราไม่ต้องปล่อยตัวเองให้มันตกกลบไปในความคิดในอารมณ์ต่างๆสติเหมือนกับเราสะพานเกาะเอาไว้กับกายของเรานะ่กายของเรากับสตินะ่ะเหมือนเราเดินแต่สะพานที่มีเราจับยากที่จะพัดตกลงไปถ้าเรา ใช่กายใช่สติเพื่อการเน้นะไม่มีทางไปทางอื่นนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานขณะที่มันไม่ตกลงเราเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเอาไปมามันก็ไม่ต้องจับแล้วเมื่อเดินข้ามสะพานสุขโตน่ะบางคนก็ต้องจับสะพานจับเดินไปหลอหลายรอบหลายรอบก็ไม่ต้องจับมันได้จังหวะ การเดินจงกรมก็มีเทคนิคเหมือนกันการยกมือสร้างจังหวะก็มีเทคนิคเหมือนกันยกแบบไม่เหนื่อยไม่เน็ดเหนื่อยยกเบาเบาเบาใจด้วยเบากายด้วยเบาสติด้วยสติทํำไ้เบาด้วยยกมือเบาเบาเบาวไปกดไปพึงบางทีเราก็เคลื่อนไหวแต่เฉพาะศอเฉพาะศอก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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดจบก่อย่าทำให้ดูเจ้งว่าไหวเมื่อเวลามันง่วงมีวันเกิดน้แล้วก็หาวิธีแก้จนหาทางหายอยาอยาไปซื้อบือการปฏิบัติบมันมีสติมีปัญญาไปในตัวนะลมหน่อยมันช่วยเราได้อารมายถึงมันได้หลักได้หลักไปสู้อารมณ์ อารมณ์มันสู้อารมณ์ควง่วุมความง่มวงก็เป็นอารมณ์เรียก ว, ว่าอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจเรียกว่าอารมณ์ส่วนเรื่องความปวดความเ่อยเป็นอาการที่เกิดขึ้ น, น, นกับกายมันก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐ า, านเราเคยสู้เคยผ่านเคยผ่านเคยผ่านนะสู้อะไรที่มันอยู่กับตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ไม่เสียเปล่าเลย <c oughs> แต่แพ้ก็แพ้ตัวเอง ถ, ถ้าแพ้ตัวเองเนี่ยน่าอายนะถ้าแพ้คนอื่นเนี่ยไม่น่าอายดีด้วยถ้ายอมแพ้คนอื่นเป็นเรื่องดีแต่แพ้ตัวเองไม่จ่ยยายไปยอมแต่ชนะคนอื่นก็ไม่ดีต้องชนะตัวเองเหมันกันแต่แพ้ตัวเองก็ยอยากพึงยอมม แต่ชนะตัวเองเขาชนะทุกสิ่งทุกอย่างผลที่สุดมันก็เข้มแข็ ง, ง, งอารมณ์ทิศทางของการเจริญสติอมีรูปแบบในช่องทางดีๆเห็นก็เห็นของจริงของจริงที่ไม่จริงของจริงที่จริงอ่าหลวงพ่อพูดอะไรของจริงที่ไม่จริง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 ก็ไม่ทุ ก, ก Ching, King, King, King. ข์ก็จริงจริงจริงก็ไม่โกรธก็จริงจริงจริงของจริงที่มันจริงจริงนะแล้วก็สัมผัสอยู่นะไม่ใช่เราไม่ได้สัมผสัสถ้าจะเปรียบเทียบกันดูมันก็คนคนละมุมคนละรสชาติคนละรสชาติสัมผัสกับความไม่โกรธสัมผัสกับความไม่หลงสัมผัสกับควา ม, ม, ไ, ม, มไม่ทุกข์ สมผัสกับความหลงสมผัสกับความทุกข์สมผัสกับความโกรธเนี <c> ่ย <oughs> มันก็มันก็ได้คําตอบประสบการณ์บทเรียนเนี่ยอารมณ์ของกรรมฐานอย่าไปหานะอย่าไปหาน่ะอารมณ์ของกรรมฐานมันเกิดขึ้นมาเองถ้าจะถ้าจะบอกตรงๆก็มันเกิดแบบโง่โง่ะ ผมทุกข์ก็ดีความง่วงก็ดีความโกรธก็ดีหละคะก็ดีพยาบาทก็ดีมันเกิดขึ้นมาแบบโงงๆมันไม่ฉลาดอะไรหรอกแล้วเราดูจริงๆหรอกแตถ้าเราไม่ดูจริงๆก็กบเกลื่อนกบเกลื่อนไว้ไม่เห็นไม่เห็นความไม่เทีย่ยงไม่เห็นความเป็นทุกข์ไม่เห็นความไม่ใช่ตัวตน มันก็กรูปประไว้กรูปประไว้เมื่อเขาแสดงออกก็เรีกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกต่เปิดดูสักหน่อยมันก็ไม่ใหญ่เหมือนหมาที่ผูกโซ่หมาที่ผูกโซ่มันก็เป็นบ้าโซ่นะเวลาหลุดออกจากโซ่มันก็มันกับบ้าดันแต่ไม่ผูกมันก็ปล่อยมันก็ไม่มีอะไร กิจใจของเราการฝึกหัดตัวอย่างกระดังปล่อยออกมาดูเหมือนพ่อเหมือนแม่ที่เลี้ยงลกูกเราอุ้มอยู่มันอยากลงไปลุยขี้โคลนดิ้นลงไปโอบลงไปลื่นลงไปจากอุ้มของแม่แต่แม่ปล่อยลงไปจริงๆเดยมันก็ไม่มีอะไร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 ของมทุกไปมันก็เข็ดหลอมก็กลับเข้ามาบางทีมันกลับมาเอางด้วย <c oughs> ถ้าเราสัมผัสดีๆแต่ถ้านักปฏิบัติ บ, ตบางทีเนี่ยหลงก็ไม่รู้มัหลงก็ยังเหมือนกันกับเหมือนกับกับความรู้ความทุกข์ความสุขก็เหมือนเหมือนกันความไม่ทุกข์ความไม่สุขก็เหมือนกันดต่ว่าไม่ได้ไม่ได้สัมผัสไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้โตโตบไม่ได้ทักท้วงในบทเรียนที่เราได้เกิดจากการกระทาเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานมันก็มีโอกาสชนะไปมันชนะอะไรชนะที่มันสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมทิ่ไหนเป็นธรรมมันก็งอกงามสิ่งที่ไม่เป็นธรรมมันก็พ่ายแพ้ไปหมดท่าไป <c oughs> หมดท่าไปหมดโอกาสเหือดแห้งไปก็ได้ เหมือ น, มนเมล็ดข้าวที่เก็บไว้สองสามปีไม่มีโอกาสไปถูกดินถูกความชื้นมันก็หมดเชื่อเอาไปเพาะมันก็ไม่เกิดต่อปีที่สี่ที่ที่ห้าถ้าวางไปเพื่อปีที่สามนี่เขาเพาะไม่เกิดแล้วมันเปาะวางกิเลสจะทำบางอย่างมันก็เปราะบางเหมือนกัน เ ป, าาปราะบางเหมือนกันเหมือนปลาน้ําจืดปลาน้ําเข็มปลาน้ําเข็มเนี่ยพอเขายกขึ้นพ่นพน้าเท่านั้นแหะกระดิกหางสองครั้งเท่านั้นแหละตายแล้วแต่ปลาน้ําจืดเนี่ยเอาขึ้นมาวางไว้ตัวแห้งกระโดดลงน้ำนั่งได้แต่ปลาน้ํน า, นาเข็มเนี่ยเขายกขึ้นมาวางบนหัวเรือตีหางแป๊ะทีเดียวตายแล้ว บังทมันก็ก็ใจสอดทั่งกันกิเลสจะทำบางอย่างทำท่าทำทางใหญ่โตพอดูยิงเกงมันก็ไม่มีสาระแล้วอารมณ์บางอย่างบางทีเราไปพูดว่าโลภโกรธหลงนะ่ะเป็นเรื่องยากที่ยิงมันไม่ยากเป็นกราบนอกที่สุดเรามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวไป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 เวทนาที่มันเกิดขึ้นกับรูปกำนามแ ม, ม้นมันมีที่ตั้งมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวใช่ ต, ช ต, ช ต, ชตนยิ่งความโลภความโกรธความหลงยิ่งเหลวไหลแต่เห็นรูปทมเห็นนามรมเห็นรูปทุกนามทุกเห็นรูปโลกเห็นนามโลกเห็นรูปสมมุตินามสมมุติลือถอนไปหมดเลยเกลีก้ยง อารมณ์ของกรรมฐ า, านเนี่ยมันมีพลังมาทีไรก็หมดเกลี้ยงไปอ่อนไปอ่อนไปเหมือนนักลบที่เขาทำลายกองทัพนักรบที่ฝึกดีทำลายกองทัพโคตุูเขากระจายกองทัพให้พลังของเขากระจุยกระจายไปให้มีพลังน้อยแต่ที่เขาก็เล่าลือนักลบน้ ในปานประเทศในปานสนามฝึกรบรของเขาก็วิ่วงขึ้นโูเขาหิมาลัยทาหารเนี่ยเราไปนอนอยู่โูเขาหิมาลัยนะเรานอนอยู่ใกล้ๆ ก, กับทางทางขึ้นเขาหิมาลัยเราก็นอนสูงเราเพื่อนเดินไปยี่สิบสามสิบกิโล ในใกลก่ก็ได้มองเห็นสนามบินข้าววานี่ะแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดขึ้นเลยพวกทหารในปาน น, นั่นเขาทหารประเทศตื่นก็ต้องมาจ้างทหารในปานไปฝึกให้ทหารเขาทหารในปานก็มีอาชีพฝึกทหารฝึกนักรบให้ทั่วโลก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 ชนะหลายหลายเวทียิ่งไปมีอารมณ์เห็นรูปทุกน้ำทุกเห็นความทุกเป็นการเห็นอย่างเป็นเสื่อกระตือรือร้นต่อใจที่ใใจะเกี่ยวข้องกับความทุกอย่างถูกต้องรูปทุกน้ำทุกช่วยสติเหมือนแม่เหมือนพ่อที่เลี้ยงลูก อะไรที่ลูกมีทุกข์เอาใจใส่มากๆแก้ปัญหาความทุกข์ได้ที่สุดแต่แก้ปัญหาความทุกข์เนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ความเป็นพ่อเป็นแม่สุดรีมือสุดหัวใจนี่นี่เกี่ยวกับลูกเนี่ยมันไม่ยากเหมือนกับลูกเหมือนพ่อแม่เลี้ยงลูกลูกทุกข์เนี่ยมันไม่ยากปานนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของเรา มันทุกข์อยู่ที่รูปก็รูปแหะมันเป็นตัวไม่ทุกข์ันทุกข์อยู่ที่น้ำก็น้ำนั่นแหละมันเป็นตัวไม่ทุกข์อะไรพาให้ทุกข์ก็ทำตรงนั้นมันก็มีมันไม่ใช่ทุกข์ดุนดุนขึ้นมามันไม่ใช่หลงดุนดุนขึ้นมามันมีทิศทางเรียกว่าปัญญาเหมือนกันการปฏิบัติธรรมเจริญปัญญาเห็น อย่างที่เราสวดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทกือเนื่องด้วยกันไม e? ่ใช่เกิดดุนดุนหรือมันหลงไงะอะไรที่มันเกิดความหลงมันก็มันก็เห็นเหตุของมันง่ายนิดเดียวไปอะไรที่มันทําให้เกิดความโกรธอะไรที่ทําให้เกิดความทุกข์ มันเห็นเนื่องสิ่งที่เนื่องด้วยกันเห็นสิ่งที่เนื่องด้วยกันมันก็แย้สิ่งที่เนื่องด้วยกั น, น, ก เ, เ, น, กนเหมือนหลวงพ่ไปอยู่นิวยอร์กประตูมันเปิดยากได้สั่งให้พระจีนฝ่ายมหาใหญ่ ซื้อเลือเล่อยตัดเหล็กมามันเป็นเดือยมันติดนิดเดียวเราเปิดเราดึงออกมาไม่ได้มันปลุกบิดเนี่ยมันติดหลูนิดหน่อยเราเลยไปปิดชดอดเนี่ยคิดว่ามันจะดึงออกมาง่ายเราก็คิดว่าเราก็เป็นช่างเราก็คิดว่าเราทําได้แค่นี้เองพอไปบอกคระเรา เขาเขาอยู่ที่นั่นก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชเราเลยไปบอกช่างมาไม่ใช่ไปซื่อเรื่อยเขาก็มีวิธีเขาก็ไปไขคุณเจหมุนหมุนเกลียวหมุนน็อตเป๊บเดียวแล้ ว, ล ก, ว, ล ก, วก็เปิดใจทันทีเราไม่ต้องเก็เลยไปตักนะโอ้ขอดไม่มีปัญญา เขาเลยไปตัดคนที่เขามีปัญญาเขาไขควงไปหมุนแป๊นี่เดียวเลยพอหมุนแล้วเขาก็ยกนิ้วแล้วเขาให้เราเปิดลองดูช่างครับเพื่อเราปับประมาณแล้วก็โอเคนะโอเคโอเคออยกนิ้วกัดเดี่ยวทันทีเลยโอ้เรายังไปสั่งซื้อเลยเปิดหนึ่งก็หลายบาทเขาไขควงก็อยู่กับเขาเขาก็ไปกัดแป๊บ มันนี่มันเนื่องด้วยกันคนทุกข์เดี๋ยวย่ายเหมือนกับกับเนี่ยการเจตุกง่ายเหมือนกั น, ก น, เ, ก เ, น, กนเราไปอดเราไปทนเราจะไปห้ามตัวทุกข์เลยว่าห้ามตัวโกรธเลยเลาโกรธก็ห้ามไม่ให้มันโกรธทนเรากัดวันหน้าดำหน้าแดงไม่ใช่เรามันโกรธแสดงว่ามันหลงเรามีเครื่องมื่อเราก็เสริ่นสติ กลับมาหายใจเข้าหายใจออกแต่เก่งๆหายใจเข้าหายใจออกสองรอบเท่านั้นแ่ะมีสติน ะ, นะความโกรธหายไปเลย่ไม่ใช่ไปดุไปด่าเขาไม่ใช่ไปอดไปทนไม่ได้ทนะทํามันที่มันถูกต้องนะนี่เราก็ได้หลักตั้งแต่เริ่มต้นกลับมาถันยกมือเคลื่อนไหวไปมาหายใจเข้ารู้สึกตัวน่ะหลักต้องนี่เฉลิ้ยไปตลอด หลักของกรรมฐ า, านทางเส้นนี้จะไหลไปตลอดเหมือนเราเดินทางจากกรุงเทพจากไหนมามาจานไหนทางเส้นนี้ก็จะไหลมาชายอภูมิกรุงเทพจีเที่ยวจีเที่ยวก็ต้องอยู่ทางนี้วะตรงเมื่อเราไปคอนบรุรีเนี่ยเราไปคอนบุรีเนี่ยไปออกขอนาชเข้าโชคชัยเข้าคอนบุรี คนโหูก็บอกว่าทำไมไม่ไปเจพรมโชคชยัยทำไมไม่ไม่ต้องเข้าคอนลาดมันไม่ตรงมันเป็นศอกอนไรมันที่เราไปมันตรงกว่าไปที่ไหนก็ต้องไปทางไหนไปทางอื่นไม่ตรงการปฏิบัติทมก็เหมือนกันตัวนี้เป็นตัวเฉลยตัวลู่ก็ลูกข้างเดียวลูกข้างเดียวไปจบตลอดพบตลอดชาติมีสติก็สติตัวนี้ใช่ไปตลอดชาติ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 มีค้อนตีตะปูมีตลับเม็ดมีไม่ฉากเดีวเขาจะปู บ, บ้านก็กางฉากระดับน้ำระดับน้ำเที่ยงห้าสิบห้าสิบสี่สิบห้าระดับเียงเท่าไหร่อันเดียวเาสร้างบ้านได้หลายรูปแบบการเจริญสติมันแตกฉันเหมือนกันนะไม่ใช่เราจะโง่ไปบันทีไม่ต้องไปทำอะไร้ามันรูปทำก็รูปไป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 ไม่ใช่เราสุ่มสี <ünü> ่สมห์มันก็เดินไปแบบนี้แหละมีสติเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเห็นรูปเห็นนามเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเห็นรูปทุกข์นามทุกข์เห็นรูปทำนามทำเห็นรูปโลกนามโลกเห็นสมมุติเห็นบัญญัติเห็นอะไรมาลื่อออกไปลื่อออกไปลื่อกไปลื่อข้างหนึ่งไม่สัดลื่อออกไปเรื่อยๆเหมือนกับเราไม่เที่ยวมาทําบ้าน มันเป็นต้นนไอยมันมีกาบมีเปลือกเอาขวนเอาขวนไปฟันเอาขวนไปถากเอาเลื่อยไปเลื่อยให้เป็นรูปเป็นร่างมันก็ยังไม่เรียบร้อยเอากบมาใส่เอาเลื่อยขวนออกไปเอาเลื่อยออกไปเอากบออกไปเอาอะไรอีกแบบฮะเอากระดาษทรายเข้าไปเข้าไหม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 รูปโลกนามโลกขอบวนการแห่งการแก้ทุกข์รูปสมมุตินามสมมุตริรูปบัญญัตินามบัญญัติเสร็จเลยวัตถุอาการต่างๆเห็นสิ่งเหล่านี้มันลือล่อไปลื่อไปเลื่อไปแล้เห็นสมมุติเห็นบัญญัติวัตถุอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปนามนามคนจับตัวนี้ได้สมมุติเป็น เป็นจุดหมายปลายทางการเข้าประตูธรรมผารสมมติบัญญัติสมมติปัญญัติพัทวะการต่างๆอ่าจืดแต่จะเป็นความโง่หลงงมงายจืดไปหมดเลยความสำคัญนั่นหมายที่ถิมานะอุปทานทั้งหลายจืดหมดเลยวางหมดเลยนะเบาละวันการละตาจิตละหุตตาความเบากายความเบาจิต ไม่มีเพราะว่ามันอะไรมันก็สมมติทั้งนั้นสมมุติบรญญัติมันรูปเพื่อขูดเกลามันรูปเพื่อลื้อถอนไม่ใช่รูปแบบไปจําเอาความรูปอารมณ์ของกรรมฐานมันรูปมันรูปเห็นพบเห็นเออเห็นพบเห็นเนี่ยแหละเอเห็นสมมติเห็นบรรจัติเห็นวัตถุเห็นอาการรู้เรื่องบุญรู้เรื่องบาปรู้เรื่องศาสนา เรื่องพุทธาศาสนาจบตรงในอารมณ์เบื้องต้นตรนี้บางบางเพนทักิจมีสติดูกิดไม่กิดดูกิดตรงนี้ก็จิตใจก็เปลี่ยนนะมีสติดูกิจไม่กิดดูกิจเวลาใดที่มันคิดปั๊บทันทีไวแท้เพราะตรงนี้เราไม่ได้ไม่มีอารมณ์มาคล้องมาเกี่ยวหรอแต่โกนควางงเอาห้อนอนความคิดพุ่งส่านความละเลยสงสัยมันขวางกัดน พอมันบุกเปิกไปได้มันไม่มีแต่ไหนเป็นทางแล้วมองขึ้นหลังก็เป็นทางถ้าถ้าว่ามันอยู่นิ่งมันไม่ไปไหนก็ทบทวนอารมณ์ทบทวนอารมณ์เหมือนกับพุ่งเหมือนกัเหมือนก็ลรถเวลามันติดโคนมันก็ถอยหลังกับพุ่งไปเนี่ยมันมีกําลังนะหรืว่าเรายิงธนูเนี่ยก่อนที่มันไปขนาต้องดึงขึ้นหลัง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 ผมทําไมไม่ไม่รู้หรอลมพ่ออยู่นี่เป็นเดือนแล้วมีแต่ตัวรู้เฉยๆคิดมันก็ไม่คิดมั น, มมนก็มีแต่ตัวรู้เดินไไม่มีอะไรเดินมันก็ไม่มีอะไ ร, ม, ไ ม, ม, ไ ร, ร, รมันไม่มีอะไรให้แต่ตัวรู้เฉยๆมันไม่มีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเองรู้เฉยๆเป็นเดือนสองเดือนก็ก็บอกให้ขอถอยกลับถอยกลับอารมณ์ลำดับอามณ์ลำดับดูเขาเรียกว่า วัดศีวัดศินยกมือเขื่อนไว้ไว้มาลําดับลําดับลําดับพอไปถึงจุดหมายไปทําก็ไปได้เลยบวาเพ็ยรังกิดบวาเพ็ยรังกิดในสติดูกิดไม่กิดดูกิดกิดนะกิตมันตรงไหนที่วะเนี่ยมีสติมันคิดคิดคิดที่เป็นนิสัยของกิดที่มันไม่อยู่อํานาจของใครมันคิดไปคิดตัวสติมันไวขึ้นมันเข้มขึ้นทันขึ้น น, น, น่ทันขึ้นทันขึ้นเห็นขึ้นทันขึ้นอืมผลที่สุดจะพิเหตกันระหว่างความรู้สึกตัวกับความคิดทังเท่าไรเลยคนคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจไม่มีท่าอะไรในก็เป็นการจิตใจมันก็เปลี่ยนมันล่วงข้ามไปลวที่สุดก็มาดู โมดูเพาะนี่สิ่งที่โชว์อยู่ขัดท่าเวทนาสัญญาสังขารมิญาณที่เป็นขัดที่เป็นนามส่วนรูปมันก็เป็นมันเป็นรูปที่มันเกิดจากอปปาทานเช่นนามมรูปมันเกิดจากอายตนะรูปนามมันเกิดจากเหตุปัจจัยของขันธมิดามันดา สังเสทชะคันทชะฉลาพุทธโอปาติกะแต่ว่านามลูกมันเกิดจากกายตนณาตาหูจมูกนิ้วเกายใจลูกลดกลิ่นเสียงเวทนานั้นเป็นขันขันที่มีอุปทานพอไม่มีอุปทานในเวทนาขันมันก็โชวมันไม่มีอะไรมันมีแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันรวมกันรวมกันมันโชว์โย่าตรงนี้ ตรงนี้เราก็แล้ว <c oughs> ก็ไปเห็นเข้าไปลูบไปเห็ดไปเกี่ยวห้องอนะารมณ์ของกรรมฐ า, านอย่าไปเห็นนั้นเด็อย่าไปหาเด็ดนะบางคนอยากจะเห็นโ น, โ น, นั้นน์นั้นนี่อยากไปเห็นนิมิตทําไมไม่เป็นเหมือนนั่นยิ่งหลวงพ่อพูดก็คิดไปเขาไม่ต้องไปคิดนะไม่ใช่พูดให้คิดแต่ว่ากุยทางว่เขียนแผนที่ให้มันต้องไปแบบนี้ ไม่ใช่ไปแบบสงบนิ่งเห็นนิมิตเห็นอะไรต่างๆเป็นศักดิ์สิทธิ์ลิบธิปฏิหารไม่ใช่นะ ม, นะมันจะหลงอยู่ตนแตน่เรื่องนี้นมันจะหลงอยู่ตอนอารมณ์รูปนามมันตกแหลงความรู้นะเป็นตะ ก, กัศิลาตรงไหนตกแหลงความรู้โอ้ยไม่เคยรู้ไม่เคยมีความสุขมันจะหลงแปบความสุขมันจะหลงแปบความรู้ได้เหมือนกัน ถ้าให้หลงตรงนี้ก็กง่ายละเบนะถ้าหลงตรงนี้ก็เป็นวิปัสสนูเสียเวลาอีกสักห น, น่อยนี่ก็มีพระมาบอกเพื่อไปอสอนธรรมที่คอนบุรีแต่ว่าเอ๊อพระสอนกรรมฐานสมัยุกวันนี้ไม่เหมือนสมัยหลวงพ่อ ก็เลยมาพูดร้อยอย่างไม่ได้สอนให้ทำไม่ได้สอนให้รู้หลวงพ่อเทียน ใ, นนให้สอนให้ทําสอนให้รู้ในแทบจะไม่มีหลวงพ่อเทียนเนยะสอนให้ทําการสอนให้ทนะําเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นที่ว่ากรรมฐานถ้าสอนให้รู้นะ่ะมันเป็นจินตรมัยญปัญญาไม่จริง มันไม่หมดมันยังวุ่นยังวลมันยังกลับมามันเดิมถ้าสอนให้ทําให้เห็นเนี่ยมันไม่กลับมาถ้าหมดมันก็หมดไปเลยควมโ่มควบกดควบหลงควบหมดไปเลยทีเหลือตัณหาหลักะก็หมดไปเล ย, ลมมเลยถ้าสอนให้รู้นะรู้จริงๆควบคุมได้ควบคุมได้แต่ว่าถ้าเผลอมันก็ยังใหม่ยัยงชุ่มยังเปียกถ้าสอนให้เห็นเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยเพราะว่าที่เห็นเนี่ย มันก็แน่นอนที่สุดแล้วเห็นทุกมันก็ต้องไม่ให้ทุกเกิดขึ้นเห็นอะไรมันก็ต้องไม่ให้ตัวเองเป็นโทษเป็นภัยมันก็อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นอารมณ์ของกรรมฐานที่เราสอนกันอยู่ในมันมีมีทิศทางตามเทพพุตรเจ้าสอนพวกเราแต่ว่าการเข้าใจการบรรลุธรรม อาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่จังหวะบางคนก็เป็นเอตัะคะตอามันพร้อมแล้วตอามันพร้อมเราก็เกิดขึ้นแบบไหนก็ได้การบรรลุธรรมการมีศิละปะต่างกันเชีนวัดป่าสุขโตจย์วโรเทพ ก, ก่อนสอนธรรมะก็จำนอนหลายอย่างเช่นการใช้สื่อจอน เหตุผลผมยังเอาโมทนเทพที่นั่นว่าจะไปเปิดให้เขาฟังอืมก็ดีเพราะว่าไม่เคยเห็นอ่ะแก็มีปัญญาหลายลูปหลายองค์ไม่ต้องไปดัดตัวเองให้เป็นอันเดียวธรรมิตเตผือไปมันเป็นปัญญาเรียกว่าพระหุปัญญาพุทธศาสนาเป็นพรหุปัญญาแต่จะรู้เรื่องอริธรรมก็เพราะ โมคันลาถ้าจะเรื่องปัญญาโมฆันลาสาษีบุตรจะเป็นนักเทศเสียงดีก็มีเป็นพระโสนโกเิวิตะจะเป็นช่างก่อสร้างอะไรหลาพระจะไม่ได้หรอกหลายรูปเลกต่างๆกันไปก็ เราอย่าไปกลัวอย่าไปกลั ว, ลวให้มั่นใจในการกระทำในวิชากรรมฐานเป็นวิชาหนึ่งเดียวไปเส้นเดียวไปถึงที่เดียวไปคนเดียวไปทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแน่นอนการเจริญสติปัฏฐาน